เมพสาแผ่นที่สี่สิให้กติธรรมหัวข้อว่าความกะตันอยู่กตเวทิตาเป็นเครื่องหมายของคนดีอันนี้คือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านไม่หลบหลูบุญคุณผู้มีอุปการะคุณผู้มีอุปการะคุณอันดับแรกที่หลวงพ่อเคยยกก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าเป็น ผู้รู้รีรู้ชอบโดยพระองค์เองประกาศพระธรรมคำสอนออกมาจากนั้นพระสงฆ์ได้นาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาประกาศเผยแผ่ให้แก่พวกเราได้ศึกษาได้ฟังพวกเราก็ยอมรับกันอันนี้คือพักคุณอย่างยิ่งถ้าไม่มีธรรมคําสอนออกมาประกาศให้พวกเราได้ศึกษาแล้วพวกเราก็คงจะเป็นคนป่าเถื่อนไม่ใช่น้อยเหมือนกันเพราะคนไร้ศีลธรรม ไม่มีความประพฤติที่ดีไม่มีจริยธรรมที่ดีเพราะนั้นพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นบุพการีบุคคลผู้มีอุปการะก่อนพวกเราควรจะแสดงความกตัญญูกะตะเวทิตายอย่างไรอันนั้นก็เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องทบทวนเมื่อเราได้ทได้แนะนำทำคำสอนของพระพุทธเจ้านำมาประพฤติปฏิบัติแล้วพวกเราก็รล้ำลึกถึงประคุณ เวลาเราไหว้พระแต่ละครั้งอระหังสวาคาโตสุปฏิปโนโนโมโคุโถนโมตัตะขอนอบน้อพรพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อันนี้คือแสดงความกตัญญูกตตเวทิตาต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จากนั้นมาก็คือพ่อแม่ของพวกเราเราเกิดมาจากไหนมาเกิดมาจากพ่อจากแม่พ่อแม่เลี้ยงดูเรามาพ่อแม่เป็นบุพกาจารนพวกเราเกิดมาแล้วเราไม่รู้ เดียงสาภาวะแบบอกพ่อแม่เป็นผู้ดูแลพวกเราจนเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาถึงขนาดนี้เรามาจากไหนถ้าเรามองดูย้อนหลังดูเราก็จะรู้ได้ว่าพ่อแม่นั่นแหละเป็นผู้มีอุปการะคุณท่านจึงว่าพ่อแม่เป็นผู้เป็นบุพการีบุคคลผู้มีอุปการะก่อนพวกเราควรจะแสดงความ กตัญญูกะตะเวทิตาต่อท่านทั้งสองอย่างไรอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องทบทวนจะต้องคิดจะแสดงความกตัญญูอย่างไรหรือเมื่อพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาเราควรจะตอบแทนบุญคุณของท่านอย่างไรควระจประปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อพ่อแม่เป็นบุพภาการีของพวกเราเช่นนั้นเราควรจะแสดงความกตัญญูกะตะเวทิตาทดแทนประคุณท่านอย่างไร อันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายจะต้องคิดจากนั้นก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ที่ท่านแนะนำสั่งสอนไม่ว่าอาจารย์ขนาดไหนตั้งอาจารย์นังแต่สอนนักเรียนกอไก่ขอไข่จนถึงครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนเรื่องศีลธรรมจริยธรรมอย่างโดยเฉพาะอย่างจริงอย่างหลวงพ่อเข้ามาศึกษาแต่เป็นสมณี น, นศึกษาอยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ล่าเนี่ย ท่านสอนอะไรรู้แก่ใจจากนั้นเขามาศึกษากับองค์หลวงปู่จามแล้วก็หลวงปู่แหวนแล้วก็หลวงตามหาบัวล้วนแล้วจะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นผู้มีอุปกระคุณพรายนั้นหลวงพ่อเองเวลาก่อนหลับนอนหรือวตื่นนอนเวลาไหว้ไหว้พระพุทธเจ้าพุทธโธธรรมโมสังโฆจากนั้นเขาขอกราบ ไหวพ่อแม่ครูบาอาจารย์คุณบิดามันดาคุณครูอุปชาอาจารย์ทั้งหลายคุ้มครองข้าพเจ้าจะเป็นคนดีเป็นพระที่ดีอยู่ในกรอบของศีลธรรมจ ะ, จะแสดงเป็นคนดีบูชาพระคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเหล่านั้นอันนี้เรียกว่าเป็นพู้กระทันอยู่กตวเวทิตาต่อผู้มีอุปกระคุณจากนั้นก็เราอยู่ในประเทศชาติ อย่างชาติไทยของเรามีการปกครองมาตั้งแต่ดึกดาบรรใครเป็นผู้ดูแลเป็นผู้ปกครองก็คือเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินดูแลประเทศชาติมาร่มเย็นเป็นสุขมาถึงยุคสมัยนี้เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินคุ้มครองประเทศชาติอย่างไรให้ความร่มเย็นเป็นสุขอย่างไรพระพุทธศาสนาที่ยั่งยืนที่พวกเราได้เคารพปฏิบัติบูบชาอยู่เดี๋ยวนี้เป็นมาอย่างไร ล้วนแล้วแต่มีความเป็นมาและเป็นไปทั้งนั้นเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราศึกษาถ้าไม่ศึกษาแล้วพวกเราจะสายตาสั้นมองไม่เห็นเห็นแต่ตัวเองเพราะเป็นบุคคลสาคัญมองไม่เห็นใครถ้าคนในประเทศชาติมีมากๆอย่างนั้นต่างคนก็ต้องมองตัวเองมองด้วยสายตาสั้นมองไม่ไกลมองไม่เห็นพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ มองไม่เห็นพ่อแม่คุณบิดามัรดามองไม่เห็นคุณพระครูอุปชาอาจารย์มองไม่เห็นคุณแผ่นดินเจ้าฟ้ามาหากาศัตริ์ผู้มีอุปกระคุณทั้งหลายตัวเองจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้อันนั้นแปลว่าหาความเจริญไม่ได้ในตนเองถึงตนเองว่าตัวเองเจริญก็เถอะแต่ความจิบหายหรือว่าความไม่ถูกต้อง หรือความหายนะอยู่ใกล้ๆคนๆนั่นแหละคนนั้นเอ็มพีสามที่40สนี้ขออำนวยอวยพรให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมขอให้สมหวังดังปราถนาด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพอนุภาพสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั่วสากลคุ้มครองอให้ พวกเราทั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทิน